มันจะดีไหมรู้ค่ะดีขมหรือวานอ๋อดีตรงนั้นไม่เคยไม่เคยค่ะดีดีเนื้อสัตว์นี่ยไม่เคยทางมันจะผมค่ะทางวนค่ะค่ะความว่าดีมันก็มีหลายอย่างน้องพ่อค่ะมันมีหลายอย่างมองไปสุดดวงวิมานะรบงเช่บกลุมนำบุญวิสบาแต่ว่าอะไริดติดต้องความสบายต้องรู้จักด้วเพราะความสบายไม่ได้มาเฉยๆนะ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 ผร้สอายว่าฉลาดในการรักษาความสบายหนักก็สบายเบาก็สบายความสบายนี่มันได้ทั้งหนักทั้งเบาเลยเพราะว่ารักสบายนี่จะคนที่เกียเลยเคห่แต่ว่าทำอะไรให้มันจะหนักหอทให้เบาไว้ก่อนค่ะนะใกายมันหนักมันเบาเบครับไมนได้ทงานก็งหนักเวลาวามก็ต้องเบาใจของเรานั้นถ้ามันมันสบายแล้วทำงานนักก็สบายมันเบาก็สบาย อันนคือเกดนะได้รูจักต์นั้นนะตอนบราสาธุไปเปลี่ยนไปให้คุณสมัยคุณนั้นบางครั้งคุณซมุคุณเซมน่สคุณเซมุนนนสมัยสมัยนต้อมเหมือนมาหลายงานแล้วเป็นไงบ้างค่ะการนมัสการหลวงพ่อและพระพิสุทธิ์สงทุกรูปค่ะสามเณรแล้วก็ญาติธรรมทุกคนค่ะ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 คนเบาซึ่งคุณกา่วีเดจะโไนค่ะคเบาตรงนั้นแตนะ่ตรงนี้ต่างกันไีเข้าใจารมรู้สกกนจำได้ไนะจำได้ค่ะที่เรา า, ราหนักตา่างกันของโยมจะส่วนมากจะไปติดเพ่งตอนแรกๆจะติดเพ่งพอเริ่มคลายก็ ก็จะมาอยู่ที่กายก็ดูที่สติปฐานสี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เราเดินแล้วมันมันไม่ต่อเนื่องอะคะ่ะมันมันเหมือนสติมันจะหลุดมันแข็งแข็งอะคะ่ะมันอยากจะเชห็นว่าตัวหนักเบาเนั้นเป็นหนักเบาของตัว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 มันจะเห็นนักเบาในวิธีต่างๆมากขึ้นถ้าเรารู้ความรู้สึกนะแต่ถ้าดูดควาคิดแต่จะเห็นวิธีเดียวที่เราสับปั่นั้นพอพอเลิกกันแ้วก็ดึงไปเลยแต่หนักเบที่เราสัด้วยความรู้สึกมันจะเห็นทะลุไปหมดเลยทั้งทั้งหัถัางตาหูจมูกมืกายใจเนี่ยเพราะฉน้นเ่าจับหนักพอาดูให้ชัดก่อพอกที่เราสับปะได้จะเป็นความหนักพาของลหใจหนักพของถ้าดีคือนังนอนกะดับูให้ชัด้วยความรู้สึกนะเลยไม่ต้องใช้ความคิดเลย มีตเวลาใช่มมีค่ ะ, ะตนี้เข้าใจถามาที่ว่าความหนักเบาของความรู้สึกเมื่อปีก่อนที่ทมาแบบความหนักเบาขนานี้ยดูต่างเพราะนที่ทําในข้เ น, นี้ยมีความหนักเบาที่เป็นความรู้สึกจริงๆใช่ไจ ร, จริงๆค่ะมันเป็นธรรไม่ค่ะเป็นธรรมชาติแล้วสบายๆ อ, อันเดิมจะเป็นความคิดจริงๆค่ะ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 กอไปค Th ุณศ <birthday S 3> <inter Hob art> ิค <rinse vé> ิดคท้ายนะใ่คน้องเพินยังไม่มาเลยใช่เิ่น่คุณเิ่ยไปเนเชอนเินเกเพี่ก่อนกราบนมสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดียติธรรมทุกท่านค่ะก็เป็นคนเก่าที่ปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียนมาค่อนข้างนาน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 ในคนเข้าก้นเข้าก้นของเราอ่ะคดีความคิดดีนะะกลุ่มเอเทั้งหลายเนี่ยเป็นโรคเครียดเพราะเรื่องนี้แหละอันนี้ป็นการหนึนะแต่มแข่งเรื่งที่สองือสุขภาพอม่างพิธีคุณสาภาพแล้วว่าโรคติดอาหารเนี่ยเพราะนั้นก็ติดนั่นเป็นการติดอาหารที่ไม่อร่อยอหารสุขภาพไม่อร่อยนะสุขภาพควรจะดีแล้วยังการออกกำกาย เมื่อทางอาหารที่ไม่อร่อยแล้วออกลังกายแล้วร่างกายไม่ดีขึ้นคุณต้องไปพบหมอแลตรงนี้นะนีะ่ยเดียร่างกายจะได้ร่ากายเดิมกลับคืนมาตน่ อ, องใช้วิธีแบบนั้นเอาที่เหลยออยู่เป็นเสกการเพราะเาใส่หม อ, อแต่ที่จะแก้ไขได้คือด้านอาหารด้านออกกำลัการสิ่งที่ไม่ชอบตรงนั้นเลยออกกำลังกายเนียนะอาหารที่ชอบคืออาหารที่เราปุงรสแต่กลับไปเนี่ยไปศึกษาด้านอาหารอีกกิน เะ น, นั้นแต่ในอย่างที่เราจะละได้ต้องผิดโวษมันจริงจรก่อนแล้วมาผิดโทษจจรงิงเดี <g ül> ๋วก็ลับไปทำเอนเดิมคือเลยโทของอร่อยเขาว่าร่ไม่ใช่าว่าอักสาทะใช่ไหมเ <g ül> ป็ว่าอร่อย <g ül> แล้วต้องเป็นอักสาทะเป็นกัสาทะกับสาทะแปลว่าอะไรชอบใจเปล่ากสาทาถ้าเป็นรถทำกายอักสาทะเปความบริสุทธิ์ถ้าเป็นรทววาถทำจิตท่านใช้คำภาษาทีมาจากคำภาษาใช่ไหย ก็มีเสถาวภาษาธาตุคือความสร้ซึ้งความ อ, อร่อยใจในธรรมในการกระทอมในสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะนั้นตัวเวทนาทางกายที่เป็นทั้งรสอร่อยคือสุประโน์รสไม่อร่อยคือทุกเวทนาและรส ก, กลางแต่ทุกขโมสิเวทนาไปชิมรสนี้ให้ดีแล้วชิมไปแล้วเราจะได้อมา ก, กรถถร า, ารรสเกิดภาษาธารณนี่แหละที่เราจะเข้าใจสภาวรการละเอียด ที่มาบอกยังกลัวว่าคุณจะลืมเพราะคุณอยู่ยวความคิดเดยวมาแต่คอาคิดที่ดีๆเท่านั้นะนะไม่ด้คิดเยอะนะก็อยากจะให้ไปหาราละเอียดตรงนี้นะคิดว่ า, าคะแนนหึงเดือนเนี่ยนะว่าทำเรื่องนีจริงพวกกลุ่มอิโดทั้งหลายที่คิดเกี่ยวข้องด้วยจะทำมาแก้ไขปัญหาดีๆแล้วก็จะ ง, ง่ายขึ้นแต่อใช่ว่ม า, มาระดับต่างประเทศก็ได้ไทยก็ตามนะก็ควรานาสุดีได้ แต่จะต่ดีได้เพราะคนท้ายคุณตายคุณตายเป็นทคนเปิดและคนปิดแล้วก็คนรายงานโดยน้ำตโดยสรุปคือภาพรทัดขอให้มีารลงคตาม่ใ่ากแ่เที่เราคุณเสกินด้มครับี่สีน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 บทเดียวเนี่ยฟังเป็นร้อยๆรอบมันทําให้เราเห็นกุญแจที่หลวงพ่อยื่นให้เราอะค่ะมันชัดขึ้นมันทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เราเดินหรือว่านั่งปฏิบัติอ๋อ oh, มันต้องทําอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่สามารถบอกได้ก็กุญแจใครกุญแจมันเนาะถ้าอยากได้ก็ลองมาสมัครที่พี่จีนะคะว่าอยากจะเห็นตรงเนี้ยให้มันชัดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าก็เป็นจิตอาสาที่จะมาคัดเสียงธรรมของหลวงพ่อ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 ได้ได้ให้ให้เรามาใช้ตรงนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะไปใช้ได้อีกนานค่ะก็ณตอนนี้เนี่ยคิดว่าสัพยะหรือว่าอะไรที่เนี่ยจะทำให้ทุกท่านเปลี่ยนไปหรือปอกปอกเปลือกได้นะครับพอดีที่นี่มีมะขามมะขามหวานเยอะก็ะเลยก็เลยอยากจะอธิบายว่าตัวเองที่ที่ผ่านมาค่ะตัวเองลักษณะเหมือนมะขามคือเมื่อก่อนเนี่ย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 ย้ามงานเรื่องพิพิธภัณฑ์พศเหตุซึ่งคุณแต่เองรับงานรประมานึ่งคือมาสร้างพิพิธภัณฑ์พเหตุขึ้นนี้ก็อยากจะเอาประวัติพศเหตทั้งหมดที่เป็นเป็นรูกธรรมเนี่ยออกมาเป็นภาพแต่ก็รับมา ส, สารตรงนั้นทำอันนี้ซีรีส์ที่หนึ่งรที่สองที่จบนี่หนึ่งกับ2องจค่ะมี4ี่ซีรีส์ค่ะที้ในการทางานตรงนั้นคูณแต่ได้ใช้ตัวการเจริญสติเข้าไปอย่างรตอนนี้น ใช้ในงานที่ต้อใช้ความสามารถหลายด้านลักษณะเนี้ยเอาสติที่เราบฏิบัติกเขาก็มีวิชายอยู่เลยค่ะก็ตอนนี้นี่คือคือคือจริงๆอาชีพเป็นเป็นครูสอนดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็พอมาปฏิบัติทำกับหลวงพ่อก็เริ่มตกงานนะคะตอนนี้ก็ไม่มีงานทําปฏิบัติทำเพียงเดียวแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ย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 พอไปไปไปที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าใครก็ก็อยากจะช่วยงานก็เลยเอาทุกอย่างอ่ะมาทับทับทับไปที่พิพิธภัณฑ์มันเหมือนแบบภาษาภาษาเมืองพิพิธภัณฑ์แกงโฮอะะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคือทุกคนก็มีความอยากให้ค่ะหลวงพ่อ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 ก็คือเราต้องประครับประคองไปด้วยนะคะพอคือเมื่อก่อนคือจะมีมีอารมณ์กับทางบ้านนะคะคือพ่อเดินผ่านนี่ก็ไม่ทําอะไรเลยรู้สึกหงุดหงิดและเห็นหน้าพ่อคือขั้นยังไม่ได้พูดเลยสักคำเราก็หงุดหงิดแต่พอมาวาดรูปเป็นสิ่งที่ได้คือมันเหมือนกับพูดกันเราแป๊บไปอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้วาดพูดกันไปถึงว่าเห็นหน้าพ่อโอ้อันนี้คือเราประครับประคองไม่ได้เหมือนกับว่าไอไอเหมือนกับว่าสติที่เราได้มา